จะเดินเข้าหาเดี๋ยวก็เข้าไปการมาสุขาริการนยิยโญกเดี๋ยวก็อัดตกิรมาถานุโยคใช่ไหมไม่สามารถจะถอนลูกศร อ, ออกได้ไม่สามารถจะรักษาโรคได้พระทีเจ้ารู้ใช่ไหมว่าพระองค์งบำเพ็ญบารมีสร้างบา ร, รมีมาเบ็ดเสร็จแล้วฟังธรรมจากพระทีเจ้ามาไม่รู้กี่พระองค์พระองค์รู้นี่ว่าศีล ส, สมถา ว, วิปัสนาเป็นยาถอนลูกศร น, นั้นศีล ส, สมถาวิปัสสนาในเป็นเครื่องระงับราคาโทสะโมหานั้น ศีลสมถาวิปัสนาจะทำให้สัตว์เหล่านั้นเดินทางที่ถูกต้องเนี่ยก็รู้ยารู้สมุทฐานใช่รู้ในการที่จะรักษาโรคว่าอะไรเป็นยาในการรักษาโรคอะไรเป็นเครื่องมือในการเยียรผ่าตัดให้สัตว์เหล่านั้นน่ะเกิดได้ได้รับความปลอดภัยทั้งหลายเหล่านี้เห็นสัตว์กำลังเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ท่านกับเน่ท่านเป็นมหาบุรุษถ้าท่านคิดจากบรรลุท่านก็ไปแล้วใช่ เหมือนถ้าลองคิดดูนะว่าขนาดเราเรียนธรรมะพอเข้าใจบ้างขนาดนี้เรายังพอมองออกบ้างลางๆเนี่ยนะแต่ถ้าระดับอย่างท่านที่สามารถจะบรรลุวันนั้นก็ได้สามารถฟังธรรมบรรลุได้เลยเนี่ยแล้วท่านย่อมยิ่งจะมองออกยิ่งชัดเจนกว่าพวกเราเยอะแยะแล้วสามารถมีฌานมีสมาบัตมีอภิญญาด้วยแล้วก็เห็นความเดือดร้อนของสัตว์ทั้งหลายที่ไปเดือดร้อนกันในใบยภูมิหรือในภพภูมิต่างๆ แล้วก็มีความเห็นผิดวิ่งผ่านกันไปผ่านกันมาในสังสารวัฏเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเน่ยเป็นบุคคลที่มีกําลังมากฉะนั้นขั้นนี่แหละจะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแล้วก็บอกทางแก่ท่านเหล่านี้ท่านรู้ว่าพระเจ้าองค์เนี้ยขนสัตว์หรือสัตว์ไปไม่แม้ก็ยังเหลืออีกไม่ใช่น้อยฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ตกค้างทั้งหลายจะเป็นภาระของเราท่านก็รับหน้าที่ในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์แบบเนี้ยนี่คือพระเจ้า ทำไมยังชอบใจยอมกินการที่เธอคิดบอกว่าการกระทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อการช่วยพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งน่าเชื่อใจไหมเห็นไหมช่วยพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งว่าเมื่อเมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตรัสรู้แล้วจะได้รู้ว่าเออบริษัทของท่านเนี่ยในฐานะว่าเกิดมาเป็นอุบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งทีใช่ไหมยังไงตนเองรู้พระธรรมแล้วอยากให้คนอื่นรู้ด้วยใช่ไหมเมื่อตนเองมีโอกาส ในการที่จะเปิดที่เรียนแล้วก็สามารถจะเปิดให้คนอื่นได้เรียนด้วยได้ฟังทำด้วยได้ปฏิบัติตามคําสอนด้วยอันนี้การเปิดโอกาสอย่างนี้ยถือว่าเป็นการช่วยพระเจ้าองค์ต่อไปเป็นต้นด้วยใช่ไหมหรือถ้าหากว่าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าท่านเหล่านั้นมีอัยาริยก็อาจจะบรรลุในสังสารวัฏที่ยังไม่ทันถึงพระเจ้าองค์ต่อไปก็ได้ว่ามาทีนึงคือที่นึกคือนึกอย่างนี้ค่ะ จากการสร้างบรรมีอันมายาวนานนะฮะแล้วก็เราเองก็ผ่านพุทธิ้ามามากมายนี่ค่ะในขณะที่เรามีโอกาสรู้เนี่ยการช่วยเนี่ยไม่ได้มองเพียงกลุ่มคนที่ฟังทำตรงนี้นะฮะก็ฟังกลุ่มคนทำฟังทำคนนี้แต่ละแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไปมีเพื่อนเช่นโยมนึกหนึ่งอย่างพระสารีบุตรเนี่ยนะะอย่างอาจจะ เช่นโยมอีกก็ได้อาจจะไปมีกลุ่มอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็ขยายจากสมมุติ20คูสัก250ก็เป็นห้าพันเป็นต้นนะเจ้าคะไม่ได้มองเพียงตรงนี้ประการที่1อีประการหนึ่งก็คือการที่พอมีข้อธรรมอย่างที่ได้กับเรียนท่านอาจารย์อย่างที่จะทําอ่างทองเนี่ยในระดับศีลต่างๆที่เราจะทำเนี่ยจากการที่มีพระท่านมาปรีรวิเวกศึกษาธรรมะร่วมกับท่านอาจารย์เนี่ยนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยัง ชาวบ้านต่างๆเนี่ยการรู้เรื่องทาเลือกสีเนี่ยแล้วอธิษฐานจิตเหมือนกับหนังสือโพน้อยในดวงใจซึ่งบอกให้ฟังชัดเจนแล้วก็ไม่ยากเราสามารถ เกื้อกูผู้ อ, อื่นได้อันนี้ก็จะเป็นการช่วยส่งต่อในพิธีนี้อีกทีหนึง่งไม่มองเพียงแค่กลุ่มตรงนี้ถ้ากลุ่มตรงนี้ก็จะช่วยได้ไม่เยอะเพียงพอก็ต้องอาศัยกลุ่มอันนี้ก็แต่ละคนก็มีฐานต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันต่อๆไปเมื่อคะ่ะมีมหาสาวกหรือจะมีเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยอาจจะในนี้อาจจะมีมหาสาวกหลายๆคนก็ได้ช่วยกันต่อๆไปทําต่อๆกันไปให้เป็นให้เป็นสายที่ให้กว้างไกลขึ้นเจ้าคะ่ะ นี่ซาตนี่เป็นเรื่องยาวไกลกันนนในโลกคิดคไปเนี่ยนะเอามาไปพูดตรงที่ตองลมพินีเอามาพูดถึงความสําคัญของพระนางมิสลิมหามายาวากว่าที่จะมีวันนี้ที่เธอกว่าที่จะอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อจะมารอพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นีที่ชําระคันรอรอพระโพธิสัตว์ พร้ะพบริษัทมาถือปฏิสนที <c oughs> ก็มองให้เห็นว่าปัจจัยหนึ่งในกรณีแห่งการที่จะได้มาถึงสัมมาสัมโพธิญาณแม้นางสริริมหามายาเธอมีวความสำคัญยังไงเอามาก็าไปพูดตรนี้พอพูดไปพูดมาก็ต้องประยุน์เป็นระยะระยะมันเห็นคือคนพูดจะเห็นมากกว่าคนฟังอย่างมั้ยเวลาพูดเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลมากกว่าจะเห็นข้อมูลมากกว่าพูดพูดไปก็ น, นึกโอ้โหความความ ความยิ่งใหญ่ของพระผู้มีภาคเจ้าที่ที่ท่านมาไม่ใช่มาแบบเราเราท่านท่านทั้งหลายท่านมาแบบคนมีสติสัมปชัญญะที่มาแบบค่อนข้างบริบูรณ์ดังนี้ก็ทําให้เห็นตรงนี้พระโพธิศัตว์ท่านให้โพธิพาเป็นทานเพื่อคว้าความสุขดังที่ได้กล่าวของสุขคุมราชาตความละเอียดของพุทธเจ้าทั้งหลายเพศสัจฐานให้ความไม่แก่ไม่ตายให้ความเป็นไทยก็คือความที่จะปลดเปลื้องเนรศัตว์ทั้งหลายให้ออกจากกิเลส ให้ความยินดีในของเล่นทั้งหลายก็เพื่อความยินดีในพระสัตยธรรมให้บุตรเป็นทานเพื่อจะนสาสัตว์นั้นออกจากความเป็นบุตรของตนในชาติเป็นอริยะเป็นพระอริยะนั่นเองให้ภรรยาเป็นทานจะได้ถึงความเป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสิ้นเห็นไหมเพราภรรยาเนี่ยเป็นใหญ่ในบ้านใช่ไหให้ภรรยาเป็นทาน ให้ทองเป็นทานให้แก้วมุกดาแก้วประการเป็นต้นเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์แห่งลักษณะที่งามการให้ในลักษณะอย่างนี้เพื่อเป็นปัจจัยแก่การให้สัตว์ทั้งหลายได้เจริญพุทธคุณนะสัตว์ทั้งหลายได้เห็นมหาปุริสราขณะและเห็นอนุพยัญชนะ80ของพระบรมศาสดาแล้วจะได้เดินศรัทธาในพระบรมศาสดาแลวเป็นปัจจัยแก่การบรรลุ ทั้งหมดทั้งสิ้นที่พระบรมศาสดานั้นน่ะประดับพุทธคุณไว้ในพระุวรากายทุกส่วนสัตว์ก็ดีหรือพุทธคุณในส่วนของนามธรรมทั้งหลายที่เป็นไปกับเวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณขันธ์คุณต่างๆเหล่านั้นที่ทั้งรู ป, ปากายทั้งหลายทั้งนามธรรมา ท, ทั้งหลายนั้นน่ะเป็นไปเพื่อเราท่านทั้งหลายจะได้เดินพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติเป็นต้นนะพะ่อะหญ่เป็นปัจจัยแก่การให้สัตว์ทั้งหลายได้บรรลุพระองค์ยอมทุกอย่างนะ ถ้าจะประดับแบบนี้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นแล้วจะได้เกิดศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระศาสดาก็ใช้เจตนากรรมของตนเองนั้นประดับตกแต่งเราเคยคิดถึงคนอื่นแบบนี้ไหมในใจเราท่านทั้งหลายจะทำอะไรเราเคยคิดอยากจะเกื้อกูลคนอื่นอย่างนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเหมือนพระผู้มีภาคเจ้าคิดไหมหรือเราคิดแค่จากแค่ตัวเอง ใช่หมเราคิดบางคนคิดสั้นมากแค่ตัวเองก็ยังนับวัดีถ้าคิดถูกเนี่ยนะแล้วคิดเพื่อตัวเองถ้าผิดอีกแล้วจะว่ายังไงใช่หมตรงนี้ก็ต้องไปนั่งคิดว่าพระบรมศาสดาท่านเหน็ดเหนื่อยมาอย่างนี้ถามถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าจริงถ้าเมลากุฎเจ้าเนี่ยมีอยู่สองประเภทนะสองประเภทคืออะไรคนไม่มีปัญญากับคนบ้า คนไม่มีปัญญาไม่รู้จะบอกอยังไงจะไม่เห็นคุณของาศาสดาส่วนคนบ้าก็รับรู้ไม่ได้แล้วว่าจะรู้คุณของ菩 า, าสดาอย่างไรนอกนั้นถ้ารู้คุณของษ า, าสดาหเห็นคุณของษ า, าสดาจากไม่ศรัทธาพุทธเจ้าไม่มีไม่มีเลยนะไม่มีเลยฉะนั้นกรณีที่ทำให้ได้มหาปุริสารักณะเนี่ย หลายๆท่านบอกว่าทำไมพระบรมศาสดามีมหาปุถุสระขนาด32ประการและอนุพิยัญชนะประดับอีก80เพื่ออะไรเพื่อใสัตว์ทั้งหลายได้เห็นแล้วเกิดศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพุทธเจ้า ว, ว่าพุทธคุณนะที่เคยเห็นเนี่ยเห็นไหมว่าไม่ใช่ไปเห็นเพื่อให้เกิดราคะความกำหนัดโทสะความโกรธและโมหะความหลงเหมือนเดรัจฉทั้งหลายที่เห็นพระวรากายของพระบรมศาสดา แต่ถ้าถามว่าบางท่านไม่ใช่เห็นแค่เพียงรูปประกายด้วยความเป็นพุทธคุณเจาะถึงคุณของพุทธเจ้าเลยเจาะถึงพุทธญาณ1 4เวนิกระทํา18เวสาลัชยาน 4, สี่วัทถสปุรยาน10อธาสาธรณญญาณหของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหากุณาสมาบัติญาณทั้งหลายของพุทธเจ้าเนี่ยที่เห็นอย่างมากมายได้ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างหาประมาณไม่ได้ ฉะนั้นพระคุณของรบรมศาสดาทั้งหลายแต่ละข้อแต่ละแต่ละข้อแต่ละอย่างเนี่ยล้วนเป็นปัจจัยต่อการที่จะตั้งศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอย่างแท้จริงได้ทั้งหมดเลยขอให้เราท่านทั้งหลายเข้าถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ในฐานะที่คิดแล้วก็น้อมไม่ถึงทั้งๆ ท, ที่คุณเหล่านี้เป็นโลกุตระคุณก็มีใช่ไหมเช่นมรคจิตผลจิต แล้วกัพระนิพพานทั้งหลายเหล่านี้ที่พระบรมศาสดาเข้าถึงอันนั้นเขาเรียกว่าโรกุตรคุณส่วนในด้านของโลกียคุณทั้งหลายคือสัพพัญยุตยานานาวรณญาณอินทรียาโปรปริยัติยานมหากรุณาสมาปัฏิยานยมะกกาปฏิหาริยยานและอาศยานุสย า, ยานเป็นต้นพยานต่างๆเหล่านี้อยู่ในชั้นของมหากรยาิยานีที่เป็นไปในส่วนของโลกียะถามว่าคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยถามว่าได้มาอย่างไร อะไรทําให้คุณเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้พุทธยานส4บสี่เวนิกธรรม18เวสาลัชยาน 4, สีพระทศพลยาสิบและอาสาธนญญาหกใช่ไหมมหากรุณาสมาบัติทั้งหลายเหล่านี้ถามว่าสมาบัตที่เป็นไปในส่วนของคุณทั้งหลายเหล่านี้ที่พระบรมศาสดาบอกว่าเข้าสมาบัตใช่ไหมพระองค์อยู่ในสมาบัตเนี่ยสองล้านสี่แสนโกรสมาบัตเป็นเรื่องปกติ ค่าสองล้าน4ี่แสนกวดสมาบัติไม่ใช่ใช้เวลานานนะพระาศาสดาใช้เวลานิดหน่อยก็สามารถเข้าอยู่ได้แล้วนั้นคือพระพุทธเจ้าพอเรามากล่าวถึงผลที่พระองค์ได้ตรงเนี้ยต้องไปสาวดูเหตุที่บางครั้งเราเรียนแค่ผลอย่างเดียวแต่ไม่ได้เรียนเหตุเนี่ยบางครั้งเนี่ยอัธยาศัยของเราก็ไม่ถึงฉะนั้นเวลาเราจะสืบค้นพุทธคุณหรือคุณของพระบรมศาสดานั้นน่ะต้องดูทั้งเหตุดูทั้งผลที่พระองค์ได้ลักษณะถามว่า พราคุณทั้งหลายที่พระบรมศาสดาทรงได้มานั้นอะไรสร้างมาอย่อราหัตผลอราหัตผลนั่นสร้างมาเมื่อพระองค์ได้อราหัตผลแล้วพุทธคุณทั้งหลายก็ประดับแวดล้อมเต็มไปหมดเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงสำเร็จพุทธคุณได้อย่างมากมายแล้วอะไรเป็นผู้สร้างอาราหัตผลมาอารตมักใช่อาราตมักนั่นแหละ แล้วอะไรเป็นผู้สร้างอารตาตมักของพระบรมศาสดาอะไรสร้างมามหาวิปัสนาญาณทั้งหลายใช่ไหมมหาวิปัสนาญาณทั้งหลายเริ่มในแต่อริจยานุปัสนาทุกขานุปัสน า, น, า, า ze, น้าตานุปัสนานิพิธานุปัสนาญาณทั้งหลายเหล่านั้นเลยนั่นแหละวิมหาวิปัสนาญาณทั้งหลายเลยเป็นทุกสร้างอารตาตมักแล้วอะไรเป็นผู้สร้างมหาวิปัสนาญาณ สมาบัตไงสมาบัตเนี่ยมากเนี่ยสองล้านสี่แสนโกรเนี่ยนั้นสมาบัติที่เป็นฐานในการตั้งวิปาาัสนาญาณวิปัสนาญาณที่เป็นฐานในการตั้งมรรคและผลที่พระศ า, าสดาและก็คุทคุณทั้งหลายนั้นมาอย่างมากมายหาประมาณนี้ได้ใช่ไหมแล้วอะไรเป็นเป็นที่ผู้สร้างสมาบัติอะไรดีศีลใช่ัหม สีเลปฏิทฐานะนโรสปัญโยจิตตังปัญ ญ, ญัจะพาวยอาตาปีนิปโกโภิกูโศอิมังวิชิตเจยยชตันเห็นไหมนี่ไงที่บรรยายมาทั้งหมดนี่คือขับเน้นตามคำสอนในคำวิทยุสตธิมนันถ้าเรามองนี้ก็จะเห็นเลยใช่ไหมว่านรชนผู้มีปัญญา นรชนผู้เกิดมาแล้วด้วยปฏิสนธิปัญญามีก็คือติเหตุกาปฏิสนธินรชนผู้เกิดมาด้วยติเหตุกาปฏิสนธิมีความไม่โลภมีความไม่โกรธมีปัญญาในขณะเกิดถ้ามีฐานของไตรเหตุุกาปฏิสนธิมาแล้วเนี่ยตั้งมั่นในศีลตั้งมั่นในปฏิโมกสังวรศีลอินเดียสังวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจะยสันนิสิตาศีลแล้วก็อบรมจิต อบรมทำสมาบัติมีปฐมฌานทุติยฌานตัทธิฌานจตุติฌานและลูกฌานให้เกิดขึ้นเจริญวิปาาัสสนาญาณทั้งหลายสามารถจะประชุมอริยมรรคได้ไหมประชุมอริยมรรคได้ก็ถางลกชัดคือราคาโทสาโมหะเป็นต้นได้ทํากระแสะขันให้หมดจดสะอาดบริสุทธิ์หมดจดเป็นต้นได้ซึ่งพระบรมศาสดานั้นเป็นนรชนผู้นั้นเนี่ยเป็นนรชนคนแรกของโลกที่สามารถเป็น ตีเหตุกาปฏิสนธิใช่ไหมคือมีความไม่โลภความไม่โกรธมีปัญญาที่อุบัติเกิดขึ้นมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาถือปฏิสนธิในครรนของนางสลีมหามายาแค่มาถือปฏิสนธิในครรนของพระนางสริมหามายานั้นอนะ่ะพรมในหมื่นโลกธาตุเทวดาในหมื่นโลกธาตุต้องอัญเชิญนะแปลว่ารู้ไม่กําหนดเราไม่รู้เรื่องเลยนะชีวิตเราจะมาแบบนี้ใช่ไหม เราเคยกำหนดแม่ก <cin stereotype> ันไหมว่าใครจะเป็นแม่ของเราไม่เคยกำหนดเลยเราไม่ได้กำหนดแม่ไม่ได้กำหนดพ่อไม่กำหนดประเทศมาส่งๆเลยเนี่ยมาอย่างเงี้ยใช่ไหมมาไม่รู้เลยเนี่ย โอ้โหเป็นคนที่เขาเลืก็มีสติสัมปชัญญะใช่ไหมกำหนดกำหนดบิดามารดากำหนดประเทศเนี่แล้วยังพิจารณาดูว่าเออเมื่อดรรูรู้ว่าพ่อแม่มาเป็นเสร็จแล้วยังกำหนดบริษัทบริวารใช่ไหมเป็นการเป็นทวีเป็นประเทศกำหนดเบรศเสร็จกำหนดอายุด้วยว่าช่วงนี้เป็นช่วงการเกี่กานที่จะมาตัดทะลุม กำหนดเบ็เสร็จเลยอันนี้แปลวางแผนมาเลยไม่ใช่มาแบบคนไม่ได้วางแผนทีนะ่ไหนถ้าเราดูอย่างนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหกว่าที่จะวางแผนได้อย่างนี้ดูเบื้องหลังของการวางแผนสร้างบารมีมาอย่างยาวไกลนี่ก็จะเห็นที่เหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างมากมายนั่นแหละการศึกษาคําสอนเนี่ยมาถึงชอบใจคำภีอย่างยกตัวอย่างเช่นกล่าวอดีตเหตุไว้อย่างเหมือนสั้ำพระรัชวิบาวเป็นต้อ น, นอย่างนี้นะ พราะไม่ได้บอกอยู่ๆแล้วโดดออกมาเป็นผู้ไเจ้าเลยใช่ไหมอย่างนี้คนคนไม่เห็นอดีตเหตุไม่เห็นการสั่งสมอัธยาศัยไม่เห็นการสร้างบารมีถ้าอย่างนี้คัมภี ร, ร์ลักษณะอย่างนี้ต้องมีเยอะคนจะได้เห็นเหตุว่าการจะเป็นผู้ไเจ้าไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยตรงนี้จะได้เห็นเหตุปัจจัยแล้วกรณีของเราท่านทั้งหลายเราจะพ้นทุกข์เราจะสร้างเหตุยังไงจะได้ชัดตรงเนี้ใช่ไหมไม่ได้อยู่ๆแล้วก็จะไปนั่งกําหนดนิ ด, น ด, นดหน่อยนิดหน่อยแล้วพ้นทุกข์กันได้ง่ายๆอย่างเงีย้งยเข้าใจอย่างแต่เนี้ย ยอมเลยถามออมาเมื่อวานเนี่ยยอมพอจะเข้าใจอย่างเมื่อ <Yeah. S 2> กี้ฟังฟังทันเนอะใช่ไหมใช่ไห ม, มว่าการที่จะบรรลุได้ต้องมาจากเหตุปัจจัยที่ถูกต้องใช่ไห ม, มไม่ใช่เรายังไม่ได้ข้อมูลใดๆเลยไปนั่งหลับตาคิดว่าบรรลุได้ไหม <S <S <S <S ถ้าเออมีมีท่านผู้หนึ่งมาถามไปนั่งคุยเอามาเนี่ย คุยเรื่องเรื่องเขาบอกเขานั่งยังไงเขาก็จิตไม่เป็นสมาธิถามบอกว่าเขาจะนั่งยังไงถึงจะได้ได้สมาธิมาถามว่าเมื่อได้สมาธิแล้วจะทมอะไรต่อ <c oughs> เขาบอกไม่รู้เขาบอกให้คือ <c oughs> เขาไม่รู้ข้อมูลเลยเขาถูกสอนบอกว่าต้องให้ให้เดินนั่งสมาธิมาถามว่ า, าแล้วกาหนดยังไงเขาบอกหายใจเข้าพุทหายใจออกโท จะไม่หายใจเข้าพุาออทธจะเอาตัวอามาก็เลยเลยต้องการอยากให้เธอเข้าใจว่าพุทธโธนี่คือพุทธคุณใช่ไหมเช่นพุทธโธเนี่ยแปลว่าอย่างนี้แต่สรู้สัจจะทั้งสี่ก็ว่าบอกใช่แล้วลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกนี่เป็นอานาปานาสติใช่ไหมบอกใช่อา้าวนี้มันสองกรรมฐานนี่อามรก็เริ่มตาก็เริ่มงงนะนั่นก็เริ่มงงแล้วยังไงก็ผมเรียนมาสิบปีเนะ น, นี่ย้วอะไรน่ย ก็ไม่รู้แล้วทําไมยอมเก่งนะเดินสองกรรมาฐานพร้อมกันเลยเนี่ยอามานี่ต้องยอมยกมือให้ย อ, ยอมเก่งมากเดินทั้งพุทธคุณเดินทั้งลมหายใจพุทธคุณเขาเรียกพุทธานุสติลมหายใจเข้าออกเขาเรียกอาณาปานสติอ้าวแล้วผมจะทํายังไงต่อก็ว่าไม่รู้แต่นี่ยมทํามาสิปียอมต้องอธิบายอามาเข้าใจนะก็บอกก็คือแกปรารถนาอยากได้จิตเป็นสมาธิพอถามว่าเอามาทําไมสมาธิแกก็ไม่รู้ แล้ได้สมาธิเบ็เสร็จแล้วแกจะต่ อ, อยังไงก็ไม่ทราบเห็นไหมฉะนั้นการการปฏิบัติเนี่ยต้องต้องรู้เหตุผลก่อนนะต้องรู้ว่าเราจะทํำยังไงจะเริ่มต้นยังไงจะพัฒนางไงโยมเรจะมองออกไหม <c oughs> <c oughs> นั่นแหละก็คือว่าต้องอะไรนะเออนั่นแหละก็คือว่าทุกอย่า ง, ต, งต้องต้องอาศัยสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องเนาะ ที่ถูกต้องเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยการจะเป็นพระเจ้าไม่ใช่อยู่ๆแล้วโดดมาเป็นได้เลยต้องสร้างเหตุปัจจัยมาอย่างมากมายเลย <c oughs> ให้ภรรยาเป็นทานให้ทองและให้เครื่องประดับเป็นทานเน่ย น, นะ <c oughs> เพื่อความสมบูรณ์แห่งอนุพยัญชนะอนุพยัญชนะที่ได้มานั้นเพื่อเป็นเครื่องประดับให้สัตว์ทั้งหลายได้เห็นแล้วเจริญพุทธคุณได้ให้ครังสมบัติเป็นทานเพื่อบรรลุพระสัจธรรม ให้ราชสมบัติเป็นทานเพื่อความเป็นธรรมราชานี่สําคัญมากใช่ไหมพระเจ้าเป็นราชาของธรรมเป็นเจ้าของธรรมนั่นเองให้สวนให้ป่าเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์แห่งชานเป็นต้นให้เท้าเป็นทานเพื่อก้าวไปสู่ควาโพธิบนท้นเป็นต้นนะที่มีรอยจักให้มือเป็นทานให้หูให้จมูกให้จักษุเป็นทานให้เนื้อให้เลือดเป็นทานให้อวัยวะสูงสุดเป็นทาน ด้วยหวังว่าจะพึงเป็นผู้สูงสุดในโลกทั้งปวงนี้เป็นต้ น, นพระบรมศาสดาให้แต่ละอย่างในพระ อ, องค์วิจัยพิจารณาแยกแยะต่างๆเหล่านี้ในรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ที่เราล่ามาเนี่ยนะในรายละเอียดต้องไปตามดูค่อนข้างเยอะเนี่ยเป็นเครื่องประดับเพื่อจะทำให้อโลพะอโทสะและโดยเฉพาะให้ปัญญานั้นเข้ามาทำกิจในการวิจัยในการให้ทานที่ถูกต้องนี่คือการประดับ ปรับตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเพื่อให้จิตนั้นเข้าถึงความคุ้นเคยแล้วให้รู้เหตุผลของการให้แต่และอย่างอันนี้ขนาดรูปธรรมยังต้องมาพิจารณาวิจัยขนาดนั้นการที่จะทําให้นมามธรรมนั้นเกิดความขึ้นตั้งมั่นอย่างชัดเจนนั้นจึงเป็นเรื่องค่อนข้างที่สําคัญเปนต้นนีประการต่อมาก็คือพอพูดถึงในเรื่องของทานก็พูดถึงอันิสงส์ดังได้กล่าวไว้แล้วแล้วก็พูดในเรื่องของทาน ทีนี้กันเรื่องของทานกุศลในสัปปุริสถานก็คือให้ของสะอาดให้ของที่สะอาดคือของที่บริสุทธิ์สดใสเป็นต้นให้ของปราณีตให้ของที่สมบูรณ์อย่างดีให้ตามการสมควรแก่การที่ประกอบในการขวนขวายในการให้ทานดังกล่าวแล้วให้ของสมควรก็คือให้แต่ของที่เป็นกัปปิยะที่เหมาะสมอย่างเช่นเราจะให้ของสมควรแต่บุคคลเนี่ยนี้สําคัญมากเลยนะ แต่ก่อนเราไม่ค่อยคิดอะไรใช่ไหมมียอมถามเมื่อวานนี้ใครอยอมหรือใครถามออกมาบอกว่าที่ว่าจะให้ปัจจัยให้เงินกับพระเนี่ยใช่ไหมเอออามาจะเจอปัญหาที่หนึ่งถามอามาก็บอกว่ามไม่ถูกยอมก็บอกว่าเออก็พระเขาไม่มีคนดูแลอย่างพระตกรถเงี้ยจะทํำยังไงพระเดินมาแล้วพระามาขอปัจจัยว่จะทํายังไง มาก็บอกว่าเอ้ยเราก็ช่วยท่านในฐานนะไปส่งท่านที่ท่ารถได้ไหมใช่ไหมไปส่งท่านที่ท่ารถเขาบอกว่าท่านไม่ยอมท่านจะเอาปัจจัย <c oughs> เฮ้อันนี้ก็ลําบากเลยอัน น, น, นี้อันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยอันนี้ไม่เป็นอากาปนี่เป็นเป็นอากาปียะไม่ควรไงเป็นเป็นอากาปียะอย่างนี้ก็ไม่ควรอย่างนี้ไง ก็คืออย่างนี้ก็คือหมายความว่า น, นี่เราพูดในส่วนที่นั่นแต่ในกลุ่มส่วนใหญ่ที่นั่นเราไม่ได้ไปทำหนิซึ่งกันและกันเพราะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ข้อมูลนะสักวันใดวันหนึ่งแต่ละคนได้ข้อมูลที่ถูกต้องก็ต้องน้อมในการที่จะขัดเกลาตัวเองนะเพราะว่าคําสอนก็คือคําสอนซึ่งเรา ไ, ไม่รู้จะไปหลีกเลี่ยงยังไง เมื่อพระบรมศาสดาตรัสไว้อย่างนี้การปฏิบัติตามคําสอนก็เป็นสิ่งที่ถูกถ้าให้สิ่งที่ไม่ถูกโทษมันก็เกิดทั้งผู้รับทั้งผู้ให้ไไอย่างนี้จะทายังไงใช่ไหมแต่เราคิดว่ามันไม่มีโทษเราคิดเองนะจะไปหักล้างหักล้านพระเจ้าบัญญัติสิกขาบทด้วยสรรพยุติยานก็แล้วแล้วใครจะไปกล้าครับ ถ้าพูดถึงสรรพยุทธญาณนะเนี่ยพระองค์มองมองอนาคตมองอดีตได้ชัดเจนแล้วก็จะประหยัดตมแต่เราบอกเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้มันส่วนบุคคลแล้วใช่ไหมแต่พุทธเจ้ากําหนดเลยถ้าเราไปปฏิบัติไม่ได้เราก็ไปหักล้างไปขัดแยง้งเวสานราชยานกับพุทธเจ้าก็ลําบากเลยตรงนี้ก็ก็จะทํำยังไงอามาก็เห็นใจนะมันน่าเห็นใจกันทตรงนั้นะแหละครับ งไม่ใใใรู้จะทํำยังไงยังไงก็คําสอนกล่าวแบบนี้แล้วก็ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในคุณของพระเจ้าเสียแล้วแล้วอะไรคือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็คิดกันขึ้นมาเองฉะนั้นก็ถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เป็นการยกซึ่งกันและกันหรือไปข่มซึ่งกันและกันแต่ก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องเมื่อรู้คําสอนก็ปฏิบัติให้ถูกถ้าใครยังไม่รู้ก็เหมือนกับเราแต่ก่อนแล้วก็ทํามาเพราะมันไม่รู้ แต่ถ้ารู้แล้วก็ก็ต้องต้องเลิกละว่าสิ่งที่มันไม่ควรทั้งหลายก็เลิกละซิก็ทำให้ไปถูกอย่างนี้ดีั้ยใช่ไหมถ้าเราน้อมต้องการจะขัดเกลาก็ทำในสิ่งที่มันถูกมันควรให้ของสมควรนั่นเองเลือกให้คือเลือกปฏิค้าหกให้ทานโดยตั้งใจว่าทานที่ให้แล้วแก่ผู้นี้จะมีผลมากนะจมีอานิสงส์มากนี่คือสัพุริสทาน8ประการนะี้ให้เนืองเนือง ให้เนืองๆก็คือให้ต่อเนื่องคือบางทีเนี่ยเมื่อเราให้แล้วเนี่ยมันมีทั้งปุบพาเจตนาใช่ไหมมีทั้งมุลจาาเจตนาใช่ไหมอปาราปรเจตนาเนี่ยคือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ให้เนืองๆแต่ต้องเอามาคิดเนืองๆนั่นแหละต้องให้เนืองๆด้วยตรงนั้นด้วยต้องเอามามาคร่ควรอย่าทำลายอปาราภราเจตนาของตอนให้เสียไปอย่าไปทำลาย เพราะว่าการให้ก็ต้องพยายามบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนที่ท่านมหาอุนาจพูดเมื่อวานบอกว่ากลัวจะกลัวจะทำปุพผ้าเจตนาให้เกิดได้เนี่ยไม่ง่ายเลยลองฝึกเอาลองท่านลองทําปุบพ้าเจตนาในการที่จะปาราลบให้ทานที่เนี่ยทำยังไงก็ไม่รู้จะปรุงไม่รู้จะประดับจิตปรุงแต่งจิตยังไงที่จะทําให้การคิดเพื่อจะให้ปุบพ้าเจตนาเกิดก่อนอย่างนี้ มันก็เกิดได้ไม่ต่อเนื่องเกิดกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นใบไม้ก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นแหละแต่พอเริ่มปรุงแต่งจิตประดับจิตเป็นอะไรเป็นไข้กลวนเป็นปุพผ้เจตนาก็เริ่มชัดเจนขึ้นมวลจ่าเจตนาบางคราวก็ชุ่พักชั่วคู่ไม่ของบางอย่างแต่บางอย่างก็ต้องอยู่ในการที่ยาวเพราะอยู่ในช่วงที่กําลังกระทํายอยู่อย่างการอย่างยาวนานบางคนเนี่ยต้องยืนแจกของอยู่ตลอดเวลาเป็นปุพผ้เจตนาอย่างยาวนานภาพต่างๆเหล่าเนี้ย มันมุนจ่าเจตนาอย่างยาวนานเลยเนี่ยตรงนี้บางทีเนี่ยนะอย่างพระเนี่ยไปยืนแจกคารวาสก็ดูไม่เหมาะใช่ไห ม, มแต่ขนาดดูคารวาสทําพระยังอดปลื้มใจไม่ได้นะเห็นไหมพระยังอดปลื้มใจไม่ได้อะไรเจอพระอยู่รูปหนึ่งนั่ ง, งเห็นยอมก็ยืนแจกของเนี่ยก็ชื่นใจจริงๆดูอย่างนเงี้ยก็งั้นนอะท่านว่างั้นเห็นแล้วก็ชื่นใจที่โยมได้กระทากิจของสัปุริสถานคือการให้เนืองๆการให้สม่ําเสมอ และก็ให้ด้วยนอบน้อมบางคนลงทุนไปยืนให้เองน ะ, ะแล้วไม่ใช่ให้ธรรมดายังพารนาคุณด้วยเหมือนนางวิสาขาเพียบเลยนางวิสาขาเนี่ยเวลาจะให้อะไรก็พารนาคุณใช่ไหมเอาของไปถวายพระก็พารนาคุณพระจะฉันไม่ฉันก็แล้วแต่เพราะท่านรับเบนะ็ดเสร็จกิจของนางก็เสร็จอย่างเนี้โอ้โหพอผลปลากรดแก่นางหรือต้องสังเกตดีดตอนที่นางแยกครอบครัวไปอยู่กับสามี แล้วก็ดูประวัติข้างนางดีไหมขนาดว่าโคที่เป็นจ่าฝูงยังไม่ถูกคัดเลือกไปเป็นบริวารของนางวิสาขาโดดข้ามคอกเลยเพราะโคจ่าฝูงไปแล้วลูกโคอยู่ไว้ไหมโดดตามไปอีกไม่ใช่ห้าร้อยแล้วเพิ่มจํานวนอย่างมากมายเลยอันนี้ก็มาจากการฝึกในการให้นั่นเองแล้วก็ให้เมื่อให้จิตก็ผ่องใส ให้แล้วก็ดีใจในแปประการเนี่ยดูก่อนพิกษัวตั้งหลายสบปริสทานแปประการนี้แหลสับปุรุษย่อมให้ทานเมื่อข้าวหรือน้ำที่สะอาดให้แบบปราณี้สมควรให้เนืองนิดในผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นเขตดีบริจาคของมากแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายตอนในที่พระโ r o h ิตแนะนำพระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ย ก็แนะนําเรื่องตรงนี้อย่างคนที่จะตั้งลงทานทั้งหลายต้องระวังใจนะจะมีอะไรหลายประเภทบางคนไปเจอคนวนมาก็มีใช่ไหมเขาต้องวางใจก่อนในการที่จะแบไงใหนะ้ถ้าไปเจอประเภทนี้จะเป็นยังไงคนทุศีลมาเป็นยังไงคนมีศีลมาราบนี่เป็นยังไงต้งวางใจไปอ่านในกูดาทันตสูตรให้ละเอียดนะถ้าใครต้องการจะแจกทานนะเอาสูตรนี้ไปนั่งวิจัยให้ละเอียดนะในทีแค่นี้กัน แล้วจะดูว่าวิธีการแจกทานเนี่ยถ้าวางใจยังไงในการแจกที่จะทําให้ได้ผลมากได้อา น, นิสงส์มากจริงๆก่อนจะแจ ก, กต้องมาระดมนะเอาสูตรคําสอนต่างๆมานั่งศึกษารายละเอียดเบ็ดเสร็จก็ไประดมในการที่จะให้ทานอต่นี้ก็จะโอ้โหเป็นผลดีมากนี่ในรายละเอียดสัพริสทานก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสัตว์บุรุษให้ทานด้วยศรัทธาเขาเรียกว่าศรัทธาทานอันนี้กล่าวไปแล้ว ประการที่2ก็คือให้โดยความเคารพสักกัจจทานประการที่สก็คือให้โดยการอันควรนะเป็นการลาทานประการที่สให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ให้ทานก็คืออนุขหิจตาทานก็คือให้แบบสลัขาด ต, ตัดความเสียดายได้ประการที่5ก็ให้ทานไม่กระทบตนและบุคคลอื่นอนุปหจตทานเนี่ยนะพระบรมศ า, าสดาว่าสัตว์บุษผู้ให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพคามาก เป็นผู้มีรูปสวยงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นผลิตผลบังเกิดขึ้นเห็นไหมพอ่อพอหลังจากเจตนากรรมเหล่านี้ให้ผลในจผู้มีบริบูรณ์อย่างเงี้ยเป็นผู้ที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจบริบูรณ์แล้วก็ผ่องใสามากอันนี้มาจากศรัทธาคือความเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเป็นต้น ให้ทานในความเคารพย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพคา ม, มากด้วยและเป็นผู้มีบุตรหรือมีภรรยามีทาตมีคนงานแล้วก็บริวานทั้งหลายก็เชื่อฟังเงี่ยโสดลงฟังคำสั่งตั้งใจไข้ ร, รู้ในหน้าในที่ท่านในในที่ทานนั้นผลิตผลก็คือว่าไม่ขัดใจเลยอันนี้ตรงนี้ก็หลายๆท่านก็พิจารณาอย่างนี้นะว่าขาดข้อไหน ส่วนการราทานก็คือย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโควคะมากด้วยแล้วแล้วก็ย่อมเป็นผู้ที่มีความต้องการที่จะเกิดขึ้นในการที่สมบูรณ์ในการละทานนั้นผลิตผลก็หมายความว่าบริบูรณ์ทั้งสาวยหรือก็ได้บรรลุสมตามที่ได้ตั้งใจได้อย่างไม่ยากเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ในการให้ทานก็ให้ได้ตัดขาดเนี่ยนะมีโภคะมากมีทรัพย์มากแล้วก็น้อมไปเพื่อบริโภคการมาคุณ5้าที่สูงขึ้น ในทานที่ผลิตผลอันนี้หมายความบอกว่าให้ทานแล้วก็ไม่หวงไม่สละไม่ไม่เหมือนแค่เฝ้าส่วนว่าอนุประหารจทานก็คือว่าให้ทานโดยการไม่กระทบตนบุคคลอื่น<ๆ>ก็จะพ้นจากภัยทั้งหลายก็มีจราภายัยอัคีภยัยวาตาภายัยอุทกาภายัยราชภายัยจราภัยเนี่ยนะจากคนไม่เป็นที่รักและก็จากทาาทที่ไม่ดีทั้งหลายก็จะพ้นจากภายัยต่งางๆ น, นพบพระศาสดา ก, ก็ตรัสไว้อย่างนี้ ในส่วนของทานกุศลเหล่านี้นะที่ไล่มาตามลําดับเนี่ยเพื่อต้องการให้รู้ว่าในชั้นคําสอนที่พระบรมศาสด า, า, า, า, าตรัสไว้เนี่ยนะเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของทานกุศลที่บอกว่าเมื่อให้ทานได้ถูกต้องต่างๆเหล่านี้แล้วผลเกิดขึ้นแต่ก็3แต่ว่าเป้าหมายก็คือไปอยู่ในข้อที่8ในด้านของหรือข้อที่7ในบางสูตรที่กล่าวในเรื่องของการประดับตกแต่งจิตแล้วก็ปรุงแจ่ง แต่งจิตเพื่อให้เกิดสมถะและก็วิปั ส, สนาเป็นต้นเหล่านี้ประการต่อไปเมื่อการระดมในเรื่องของทานกุศลได้อย่างชัดเจนเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยการจะเดินกระแสจิตเข้าสู่ในด้านของสีเนี่ยนะจะไม่ยากจะไม่ยากแล้วท่านบอกว่าในเรื่องของ ทานกุศลเมื่อสามารถเดินทานกุศลเจตนาในการที่จะให้ที่เป็นไปในด้านของเจตนาทานที่เป็นไปในด้านของอโลภาทานเพราะอโรภะทานเด่นขึ้นอโทสะก็จะเด่นขึ้นคือความไม่โกรธแล้วก็อโมหะคือปัญญานะความเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมก็ชัดขึ้นลักษณะของทานก็มีการให้เป็นลักษณะกิจของทานกุศลท่านกล่าวไว้ในฐานะว่าทำลายโลภะแต่ที่จริงตัวมัฉริยะก็ถูกทุบถุ ก, ถ ก, ถกทาลายไปด้วย อารมพะเด่นขึ้นอโทสาก็เด่นขึ้นแล้วก็คือตัวปัญญาก็จะมารอบรู้เพราะมีสัพริสสถานไงความเข้าใจเหตุผลเนี่ยเห็นไหมถ้าเรามองในชั้นคําสอนเราจะเห็นคําว่าในสัพริสสถานเนี่ยพระเจ้าจะกล่าวในเรื่องของว่าสร้างเหตุอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้หรือในเรื่องของทานาสูตรหรือทานนบ ป, ปฏิสูตรทั้งหลายเหล่าเนี้พระเจ้าก็ บ, บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานที่มีผลไม่มากมีอานิสงส์ไม่มากหรือให้ทานแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างไร แล้วให้ทานแล้วเพื่อกลับมาเป็นอย่างนี้อีกเป็นอย่างไรก็ไล่ต า, ามลําดับจนถึงข้อสุดท้ายว่าให้ทานเพื่อเป็นบริขารเป็นบริวารประดับตกแต่งจิตอย่างไรทําสมถาวิปั ส, สนาให้เกิดขึ้นจากเจตนาทานเป็นต้นอย่างไรอันนี้ก็วงบอกว่าให้เห็นเหตุผลอันนี้แปลว่าตัวปัญญาเกิดนะเป้าหมายเพื่อทําให้ปัญญาคือตัววิปัสนาตัวปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นปัญญาลําดับแรกคือกรรมศักตาสมมาทิฐิปัญญาที่เข้าไปรู้ในเรื่องของกรรมและผลของกรรม รู้ว่าศรัทธาทานเนี่ยนะให้ทานด้วยศรัทธาเนี่ยผลของศรัทธาเหตุของศรัทธาทานจะได้รับผลก็คือเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหน้าเลื่อมใสงดงามนี่เนีเป็นผู้มีงดความงดงามแห่งสวดทรงทั้งหลายแล้วก็ทรัพย์สมบัติก็บริบูรณ์ถ้าสักกาทานเนี่ยไหมให้ด้วยความนอบน้อมแปลว่าอะไรผลของทานชนิดนี้มีทรัพย์มากมรบกวิวารมากก็บริษัทบริวารก็เคารพเชื่อฟัง เวลวเราจะกล่าวอะไรต่างๆหมาบนาศกล่าวเมื่อวานว่าไงบอกว่าท่านก็ปราถนาข้อเนี้ยเวลาท่านให้ทานท่านก็ให้ด้วยความนอบน้อมเยอะไหมนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยไหมด้ ว, วาจาด้วยนะนอบน้อมเฉพาะตอนให้หลังให้ก็นอบน้อมไหมหลังให้ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะตอนตอนให้อย่างเดียวพูดจาใช้ออดังดีหลังจากให้ก็พูดจาปั้นปึงนี่ไปอีกเรื่องหนะึงเนี่ย ก็นอบน้อมก่อนให้ขณะให้หลังให้ด้วยอย่างนี้ก็คือว่าพูดอะไรแล้วคนเชื่อฟังพูดอะไรคนเชื่อฟังบางคนก็บอกว่าที่อามาพูดไปคนไม่ค่อยเชื่อฟังก็ท่านไม่ทำมาเองเรื่องของท่าน <c oughs> เองอามาก็เลยบอกอย่ามองมาที่อมามาให้มองถึงคําสอนพุทธเจ้าเไปอย่าไปมองให้ตนเองเสียหายเ <P> พราะจริงๆเป็นงั้นนะแต่ข้อที่จริงมันมีส่วนนะไม่ใช่ไม่มีในะคําพูดนั้นเน่ยแต่อย่าไปทําให้ตนเองเสียหายใช่ไหม เช่นสมมติว่าคนคนนี้ถ้าบอกธรรมะแล้วเราไม่ฟังเราเพราะเราไม่เชื่ออันนี้อันนี้เสียหายแล้วเราเลยเสียประโยชน์เลยใช่ไมตรงนี้ส่วนในด้านของการรทานก็นั่นแหละสามการสามวัยอนุคหิตท า, านก็คือว่าไม่ยึดติดเมื่อได้ทานมาแล้วก็กล้าที่จะบริโภคกล้าที่จะใช้สอยแล้วกล้าที่จะสละต่อตรงนี้ถ้ามองถึง ที่อมาเคยถามโยมกินงานว่าให้ทานมากๆเนี่ยผลของทานมีนียโยมก็บอกอมายว่าแต่ถึงจะมีมากขนาดไหนถ้าจะตามมาก็จะเป็นไปเพื่อนน้อมเพื่อจะไม่ยึดติดเพื่อจะสละออกทั้งสิน้นแทงอย่าง น, างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ให้ทานไปเถอะนะแต่ไม่ใช่ว่าเออดีแล้วได้บองมากกจ็จะได้นั่งกอด น, นอนกอดไว้เงี้ไม่ดีไม่ดี สักประมาณ10กว่า20ปีที่แล้วตอนตอนไปแสดงเขาให้ไปบรรยายเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นโยวัตุอัธยาศัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องสร้างกันให้เกิดค่ ะ, เ พ, ะเพราะไม่เพราะไม่งความรู้ถ้าไม่เข้ามาใส่ตนแล้วมันจะเป็นสัญญาที่ไม่มั่นคงค่ะตัวเป็นที่ปกตูปนิเสยปัจจัยเนี่ยสำคัญมากๆค่ะที่ต้องเสพจึงคุ้นเคยแล้วก็เป็นปกตูได้เจ้าค่ะ คือตรงนี้พอทานกุศลอยไหมเจตนาทานอารมพะทานท่านก็ขับเน้นต่อไปวัตถุทานเจตนาทานอโรมพะทานแล้วก็ตัววัตถุทานขับเน้นเจตนากระตุ้นเตือนชักนําสัมพยุทธรรมเอามาให้ดูสามตัวนะให้ดูสามตัวในลัคนายจะตุกะจะเห็นชัดเออตอนนี้เออให้ดูสามตัวจะเห็นชัด ในชั้นคําสอนเนี่ยนะความใส่ใจด้วยมณสิการเจตสิก์นีก็คือว่ามณสิกาบอกอารมณ์จึงปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยนะพวกปัญจทวารและวชนะก็ทําลําดับวิถีจิตอันต่างจากพระวังเป็นต้นให้เป็นไปอยู่นอันนี้หมายความบอกว่าท่านพูดถึงตัวมณสิการเนี่ยปัญจทวารวชนะก็เป็นมณสิการส่วนหนึ่งวัฒนะนปก็เป็นมณสิการส่วนหนึ่งเนาะ แล้วก็ตัวมโนทวาราวัชนะจะเป็นโยนิโสอยโยนิโสก็ไปแยกแยกนะในรายละเอียดก็เคยกล่าวไปแล้วถ้าเป็นโยนิโสพนสิการก็เป็นปัจจัยแก่กุศลชาวนาะถ้าเป็นโวทรนะหรือมโนทวาราวัชนะนี่เนะี่ยหรือถ้าเป็นอยโยนิโสก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลชาวนะเป็นต้นเป็นไปอยุ่นะถ้ามองอย่างนี้บอกว่า